นับน้ำส ก, การหลวงตาค่ะก่อนอื่นลูกขอขมาหลวงตาอีกครั้งหนึง่งเนื่องจากก่อนหน้านี้เกือบปีนะคะได้ฟังซีดีของหลวงตาแล้วในใจก็วิจารณ์ว่าหลวงตาเทศดุดเดือดเข้มข้นตรงมากแต่ก็อธิษฐานว่าจะได้มาพบหลวงตาสักครั้งหนึง่งก็ได้มาเจอความเมตตาจากหลวงตาก็ต้องขอกราบขอขมาด้วย ที่ต้องกราบขอเข้ามาเพราะว่าพอมาครั้งนี้ในใจอยากจะถามแต่ว่าเนื่องจากได้เคยวิจารณ์มาแบบนี้ก็เลยกลัวไม่กล้าถามค่ะอ๋อเอาไไม่ายไม่มีโทษบาปกับราดังค่ะที่เคยค่ะที่ที่เคยปฏิบัติมานะคะก็รู้ว่าตัวเองไปเป็นไปเป็นผู้รู้ ไปรู้ลมไปรู้ว่ามีอาการโกรธเพราะไม่พอใจที่โกรธและพอหายโกรธก็ไม่พอใจรู้ว่าเป็นตัวผู้รู้ค่ะแต่ได้การได้ฟังธรรมครั้งนี้ทำให้เข้าใจว่าเคยเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติแต่การได้มาฟังธรรมจากพระอาจารย์ก็ทำให้เข้าใจต่อไปว่าธรรมชาตินั้นแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายปรุงแต่งกับฝ่ายไม่ปรุงแต่งค่ะแล้วก็ทาให้เข้าใจต่อไปว่า ตายก่อนตายนั้นเป็นอย่างไรนะคะตายก่อนตายคือตัวที่ตายคือตัวขันห้าตัวปรุงแต่งที่มันตายก่อนตายแล้วเราต้องอยู่ด้วยจิตว่างเหมือนกับตอนแรกก็มีผุดขึ้นมาในใจว่าเราอ่ะเป็นคนที่ยืนดูสายน้ำที่ไหลไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราต้องเป็นดูคนที่ดูดูคนที่ดูสายน้ำค่ะถูกต้องแล้วเลยตัวที่มันสงสัยในใจอ่ะ ที่มันตึกมันตองมันไข้ควรประมวลผลอตัวนี้ก็เป็นตัวขันหน้านะเห็นเห็นมันวางมันซะตัวนี้เราหลงเอาตัวเราไปไปตึกตองไข้ควรประมวลผลอยู่เนี่ยตอนเนี้ย้ตัวนี้ไม่เห็นว่ามันเป็นมันเป็นขันหน้าเป็นตัวปรุงแต่งเราก็เอากลับกลับเอาไว้ตัวที่มันไข้ควรประมวลผลตัวทบทวนตัวเนี้ยเป็นตัวเราซะจริงๆเลยเอาตัวเราเป็นตัวไปตัวกายเป็นตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งได้ เอาไปไข้ควรประมวลผลวิเคราะห์เอาไปสงสัยแล้วก็หาเหตุผลอยู่ในนั้นนไะปนเสร็จเลยมันจะต้องมีการไข้ควรประมวลผลวิเคราะห์มีความสงสัยแล้วก็หาเหตุผลในนั้นไอ้เห็นว่ามันเป็นตัวุกก็จะต้องมีผู้ถูกรู้โดยธรรมชาติไม่ว่าจะแอบทํำยังไงก็ตามไม่ซอดไม่ไม่อาจรอดพ้นจากออไอจิตวิญญาณแท้หรือวิญ ญ, ญาณแท้หรือธาตุรู้แท้มารู้ได้เลยมันอยู่ในตัวของเรานี่แน่ มันไม่มีตัวตนแต่มันรู้เราได้ตลอดเลยแต่ตอนนี้หลงโยมหลงเอาเอาตัวเองอ่ะจะเป็นเอาตัวเองกลายเป็นเรากลายเป็นตัวปรุงแต่งได้ไปวิเคราะห์ประมวลผลใคไกลัวรหายเหตุผลวิเคราะห์สงสัยแล้วก็หาคําตอบในนั้นเบ็ดเสร็จค่ะเ ข, ข้าใจไหมเข้าใจค่ะคือตัวเองปฏิบัติเนี่ยไปเหมือนกับการปฏิบัติงานคือว่าพอเราทํางานจะเขียนงานสักชิ้นหนึ่งเนี่ยคะ่ะก็จะรอ จะรอสะสมสะสมไปเรื่อยจนตกผลึกถึงจะยอมเขียนนะคะก็เลยรู้ตัวรู้ส้อนรู้ไปว่าตัวเองก็มาประมวลผลในเรื่องทำจะไม่ค่อยยอมทำแล้วก็ประมวลประมวลประมวลไปเรื่อยๆแล้วค่อยทำทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ว่าตัวเองประมวลแบบนี้รู้ว่าที่ทำแบบนี้ทำไม่ถูกเหมือนที่หลวงตาบอกว่าเราเหมือนขึ้นต้นไม้เราต้องค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่รอว่า ไปฝึกขึ้นเป็นแล้วค่อยขึ้นทีเดียวมันคงไปไม่ได้ค่ะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันพูดเป็นคนละประเด็นที่หลวงตาพูดกับที่โยมเข้าใจเป็นคนละประเด็นหลวงตาชี้ขนาดจิตนี้เดี๋ยวนี้เลยชี้ขนาดจิตโยมไปเอาไอ้ความคิดประมวลผลเรื่องการปฏิบัติซะหลวงตาเนี่ยชี้ขนาดจิตให้โยมเห็นเนี่ย Mm. ขนาดจิตเนี้โยมมีการประมวลผลอยู่ในจิตค่ะแล้วโยมก็เปลี่ยนจากติดตัวเตัวที่ตัวเองเป็นคนประมวลผลก็มารู้ว่ามีการประมวลผลในจิตซะมาเป็นรู้แค่นั้นแหละมันก็หลุดจากตัวเราแล้ว mm. อืมวันนี้อันนี้เรากลับไปประมวลเอาไอ้ตีความคำพูดลูกตาผิดไปไปทบตัวเรื่องการปฏิบัติมันเลยยิ่งไปประมวลผลใหญ่ไม่ใช่ลุง mm. ตาผู้ขนาดจิตนี้คือขนาดจิตนี้ในจิตของโยมเนี่ยมันประมวลผลอยู่ เราโดยที่เราไม่รู้ตัวเอ้าหรอเราประมวลผลอยู่หรออพอเราเห็นว่าตัวเราประมวลผลเราก็กลายมาเป็นผู้เห็นผู้รู้ว่าตัวเราประมวลผลไอ้ตัวที่เราประมวลผลมันเลยกลายเป็นถูกดูถูกรู้ตัวเห็นถูกปล่อยวางไปแล้วก็เป็นตัวก็เป็นรู้เอรู้แล้วก็รู้แล้วก็แค่นั้นแหละก็เป็นรู้ไปขอความเมตตาจดหลวงตาที่จะนําไปปฏิบัติต่อค่ะว่ายังไงดีคะก็นั่นแหละก็ปล่อยวางปล่อยวางอ่ะ ปล่วางตัวเราอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้ตัวเราซื่อซื่อสัตวตะรู้ตัวเราทุกความรู้สึกมันคิดอารมณ์ทุกการพูดการกระทำสัตตะวรู้สัตวตะวรู้ตัวเราเรื่อยไปสัตวตะวรู้ก็คือไม่มีตัวตนของผู้รู้หรอกไม่มีตัวผู้ตะเวอยมีตัวตัวเราที่แสดงกิริยาการแสดงแอคชั่นทางการคิดการพูดการกระทําตลอดเวลาแต่เห็นอยู่มีปัญญาเห็นว่าไม่มีใครมาตะเวอยไม่มีใครมาลองรับเลยแล้วก็ไม่ปรากฏว่า มีตัวเราไ ป, ไปแสดงกิริยาการรู้อยู่คือไม่มีตัวไม่มีผู้รู้ปรากฏตัวตนเลยมีแต่ตัวเราที่เป็นกานหน้าไปได้แสดงกิริยาการทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่ไม่มีใครมาสเสวยไม่มีใครมารองรับไม่มีใครยึด ม, ม้านถือมัานมีปัญญาเห็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไปวางไปวางกันหน้าได้ไหมละ่ะค่ะเนี่ยแล้วก็วิธีปฏิบัติก็ง่ายๆนะถ้าคุณมีปัญญาจริงๆอ่ะ คนมีปัญญาจริงๆก็เนี่ยวิธีที่จะรูいい้ตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ยากอะไรเนี่ยตัวเราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยทุกคนก็ต้องรู้ว่าตัวเรานั่งเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยง่ายๆตัวเราที่นั่งตัวเราเนี่ยนั่งอยู่ใครก็รู้ว่าตัวเรานั่งอยู่ยังไงบางท่านก็นั่งกับอีกอายุมากแล้วบางคนก็นั่งกับพื้นเราก็รู้อยู่เนี่ยว่าเรานั่งกับอี้นั่งพื้นเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้ว่าตัวเองนั่งนี่มันปกติเลยธรรมชาติ ของธาตุร <Stage> ู้เนี่ยมันก็ต้องรู้อยู่เราไม่ต้องไปตั้งรู้หรอกไม่ต้องตั้งรู้ไม่ต้องพยายามรู้เลยเ <loaded> น <cop lar wa> ี่ยเรานั่งอยู่แล้วถามบอกว่าต้องพยายามมาตั้งรู้ไหมว่าเรานั่งอยู่ถามใครต้องตั้งรู้ไหมมันไม่ต้องตั้งรู้เลยมันรู้ขึ้นมาเลยเนี่ยว่าเรา่นั่งอยู่ไม่ได้นอนนะใครนั่งแล้วก็บอกว่าตัวเองนอนมีไหมยกมือด้ไม่มีเลยทั้คนเดียวทุกคนก็รู้ว่านั่งอยู่ร่างกายเรานั่งอยู่อ่ะเนี่ย ล้วสังเกตให้ดีๆสิมันไม่ต้องมาตั้งรู้ไม่ต้องมาพยายามรู้ไม่ต้องมาพยายามดูตรงนี้อย่าผ่านนะตรงนี้อย่าผ่านนะตรงนี้สำคัญมากนะที่หลวงตาพูดเนี่ยเพื่อให้สังเกตเปรียบเทียบเอาไว้เดี๋ยวมันจะละเอียดเข้าไปถึงจิตเพราะมันเป็นอันรู้อันเดียวกันถ้าท่านรู้กายถูกก็จะรู้จิตถูกเหมือนกันตรงนี้สำคัญมากที่หลวงตาพูดเนี่ยอย่าผ่านท่านสังเกตไหมว่า ท่านนั่งอยู่ในท่าทางอริยบทใดเนี่ยท่านรู้ตัวอยู่ไหมว่าท่านนั่งอยู่ในบทใดทุกคนรู้หมดทุกคนรู้หมดรู้เนี่ยมันมีคู่มาแล้วกับทุกสัพสัตวทั้งหลายเป็ น, ปนธรรมชาติที่มีอยู่ในร่างกายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นพุทธเจ้าพระอรหรันต์ปุตุชนหรือว่าสัตว์เดรัจฉาหรือสัพสัตที่เวียนว่ายายเกิดมันมีรู้เนี่ยคู่มากับคู่มากับชีวิตนี่เลยมันคู่กันมา แล้วที่ลูงตาบอกว่าสังเกตให้ดีๆมันรู้ขึ้นมาเลยมันรู้ขึ้นมาเลยว่าเรานนั่งอยู่โดยไม่มีการตั้งรู้ไม่มีเจตนารู้ไม่มีจงใจรู้ไม่มีพยายามรู้ไม่มีเพ่งรู้เห็นไหมเวลาท่านเวลาท่านไปดูจิตท่านผิดหมดเลยท่านไม่เป็นอย่างนี้เลยท่านมีการเพ่งจิตพยายามดูจิตพยายามแทรกแซงจิต พยายามพยายามทุกวิถีทางเลยอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาเนี่ยแล้วท่านดูดิว่ามันเป็นรู้ธรรมชาติหรือเปล่าเลยให้เปรียบเทียบให้ดีๆสังเกตจะชัดว่าเวลาท่านนั่งอยู่ในยาบทใดถามปุ๊บทุกคนตอบได้เลยว่านั่งอยู่ในยบทใดลกตาเลยให้สังเกตดีๆว่าทำไมถามแล้วทุกคนตอบได้หมดว่านั่งอยู่ในยบทใด อ่า hey. ตอบได้ไหมก็บอกว่ามันเป็นธรร sure ม, มชาติมันก็รู้ขึ้นมาเลยเอี่ยเป็นธรรมชาติหรือว่าผมตอบมันก็รู้ขึ้นมาเลยไงทุกคนก็ต้องรู้เอี่ยอ่าใช่ดีทุกคนก็ต้องรู้สัตว์มันก็ยังรู้เลยหมามันยังรู้มันนอนอยู่เจ้าของเดินมาเจ้าของเดินมามันยังรู้เป็เจ้าของวิ่งปูดไปหาแล้ยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรู้ที่มันมีคู่มากับชีวิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรู้เนี่ยแล้วมันรู้เนี่ยที่ตั้งตาตั้งเฝ้าั้งเก้ดีๆคือมันไม่ม mm ีการเพ่ง <cuatro> รู honestly, ้ <iert> <te asing the outside> ไม่มีการจ้องรู้ไม่มีการพยายามรู้ไม่มีการเจตนาจะไปรู้เอแล้วมีอะไรกะพูดให้หมดนะเออหรือว่าหรือว่ามันพยายามรู้แล้วไปแทรกแซงหรือว่าไปประมวลผลหรือว่าอะไรอะไรเยอะแยะหมดเลยเดี๋ยวต้องพูดให้หมดเดี๋ยวพวกเธออะไรนะคือรู้อะไรก็ตามที่มันไปแทรกแซงได้ที่มันพยายามได้ที่มันพยายามจะหาความเข้าใจได้ที่มันอย่างนี้จะเอาได้อย่างนี้ไม่เอาได้เน่ะ มันไม่มีไงมันเป็นรู้แท้ๆตามธรรมชาตินี่เขาเรียกว่ารู้แท้ๆจิตแท้ๆวิญญาณแท้ๆจิตตั้งเดิมแท้ๆก็คือนี่ยรู้แท้ๆเนี่ยแหละรู้อีกรู้แท้ๆตามธรรมชาติออะมันก็เป็นรู้แท้ๆตามธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นของธรรมชาติแท้ๆเลยรู้รู้เนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยอ่ะแล้วท่านจําไว้นะเวลาท่านรู้เนี่ยรู้จิตเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกิดอารมณ์อะไรเนี่ยเวลาท่านรู้จิตเนี่ย ท่านก็ต้องรู้อย่างนี้เนี่ยรู้อย่างธรรมชาติแต่แท้อย่างนี้เนี่ยรู้ขึ้นมาเลยโดยไม่มีการเพ่งรู้จงใจรู้พยายามรู้เจตนารู้แล้วอะไรอ่ะประมวลผลแทรกแซงอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาอมันไม่เหมือนกันนะอย่าให้มันไม่เหมือนกันให้มันเหมือนกับที่รู้ท่านนั่งอย่างไรนี้เนี่ยเวลาท่านรู้จิตของท่านเวลามีจิตของท่านมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรท่านก็รู้ซื่อๆอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่า รู้ยังไงว่าเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยก็รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆอย่างตรงไปตรงมาเลยรู้อย่างเป็นธรรมชาติซื่อๆเลยอย่างเงี้ยหรือว่าท่านท่านใช้คําว่าที่ที่แปลมาจากพุทธเจ้าตัดกับพญะว่าถ้าเธอสักแต่ว่ารู้อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยสักแต่ว่ารู้อย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้เนี่ยเธอจะบรรลุนิพพานก็คือมันเป็นธรมนะรมชาติรู้เลยเนี่ยพญ่าฟังจบ ก, ก็เข้าใจเลยว่าโอ้รู้ธรรมชาติเป็นยังไงก็เข้าถึงก็เลยสักแต่ว่ารู้ตามธรรมชาติกับรู้นิพพานไปแล้วรู้ซื่อหรือว่าแค่รู้หรือว่าแค่ได้รู้หรือว่า สัตว์วัลหรือว่าอะไรรู้ขึ้นมาเลยเอ่รู้ขึ้นมาเลยรู้ขึ้นมาเล ย, เ, ลยเวลาท่านตอนนี้ยต่อไปถ้าก็รู้ไปและเวลามันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรรู้จิตจิตมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรก็แค่รู้ก็แค่รู้มันมามตามความจริงอย่างที่มันเป็นมันเป็นยังไงก็ต้องรู้ไปอย่างไงเนี่ยเขาไปธรรมชาติมันได้แต่คแค่รู้นะธรรมชาติมันได้แต่แค่รู้แค่รู้ขึ้นมาเลยรู้ขึ้นมาเลยว่าจิตมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ยังไง ดีมันก็รู้ไม่ดีไม่สบายใจมันก็รู้ถูกใจก็รู้มันก็ไม่ถูกใจก็ไม่รู้แต่อาการของจิตมันไม่รู้เลยว่ามันทําให้ใครถูกใจไม่ถูกใจอะตัวมันไม่รู้เรื่องเลยอาการของจิตเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันทําให้ใครถูกใจไม่ถูกใจอ่ะแล้วธรรมชาติของรู้เนี่ยมันก็ไม่เคยมันไม่รู้เรื่องเลยว่ามันทําให้ใครถูกใจไม่ถูกใจมันก็รู้ขึ้นมาเลยตามธรรมชาติของมันมีหน้าที่รู้เป็นธรรมชาติรู้ก็มีหน้าที่รู้ขึ้นมาเลยส่วนอาการที่มันเกิดขึ้นมามันก็ไม่รู้หรอกว่าตัวมันอ่ะ ทำให้ใครถูกใจไม่ถูกใจแต่กิเลสคนมันเข้าไปถูกใจไม่ถูกใจมันกิเลสคนว่าอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาถูกใจจะเอาแต่ไม่ถูกใจรังเกียจดิ้นรนผักใสมันเป็นกิเลสคนอะเนี้เป็นกิเลสคนแต่อาการของจิตหรือเหลืออากาของกายเนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอว่าใครจะถูกใจมันไม่ถูกใจคือไม่ถูกใจท่านั่งมาถูกใจท่านอนเออมันก็ไม่รู้เรื่องอ่ะไอไออาการของกายมันก็ไปรู้เรื่องหรอกมันก็ได้แต่ว่ามันก็ ซื่อๆตรงไปตรงมามันนั่งก็นั่งเนอะก็นอนตีลังกากรตีลังกาแล้วแต่จะทําท่าทางอะไรก็ม่ะเน่ะแต่อารู้มันก็ทําหน้าที่ซื่อๆเลยรู้รู้ว่าร่างกายเราเป็นยังไงซื่อๆจะเห็นว่าไอ้สิ่งดีหลงรู้มันก็ซื่อๆไอ้ที่รู้เนี่ยมันก็ซื่อๆอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเราจดจำนี่ไว้เลยแล้วก็ต่อไปจิตเนี่ยมันก็เหมือนกันน่ยทุกความรู้สึกในึกคิดอารมณ์มันมีอาการยังไงมันก็ต้องซื่อๆตรงไปตรงมาจิตมันเป็นยังไงก็ต้องซื่อๆตรงไปตรงมาไอ้รู้มัเป็นธรรมชาติที่รู้อย่างซื่อๆตรงไปตรงมา นี่ยอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ภัยยะเธอจะบรรลุปณิพานธพระยะฟังจบก็เข้าใจเลยว่าอ๋อลู่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นรูปธรรมชาติไปเลยก็รู้นิพานไปเลยที่ท่านบอกว่าที่มันทุกหนักหนอะบรรทุกหนักหนอะไม่พ้นทุกก็มันตรงนี้นะ่ะเกียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังนี่นะ่ะไอ้ที่ถูกใจจะเอาไอ้ที่ไม่ถูกใจมันลังเกียดนี่ล้นผักใส่มันทกอยู่แค่นี้นะ่ะไม่ได้ทุกอะไรมากหรอกเขาบอกให้รู้ซื่อๆมันไม่ยอมซื่อๆนาที อืเลยเนี่ยมันก็ไม่ยากแวการปฏิบัติอันนี้ก็ดูดิเนี่ยท่านั่งอยู่ท่านก็รู้ท่านนั่งก็รู้อย่างโงไปตโตมาอย่างเงี้ยเวลาหายใจก็หายใจแล้วใครไม่รู้บ้างว่าตัวเองหายใจมันก็หายใจมันก็ทุกคนก็รู้ตัวเองทุกคนเปนลมหายใจทั้งนั้นแหะก็หายใจเข้าหายใจออกมันก็รู้ทั้งนั้นแหละแต่ลมหายใจมันไม่รู้หรอกตัวมันเข้าหรือออกแต่เราเป็นคนรู้ไปสอยสมมุติก็ไปว่านี่มันคือเข้ากับออกแต่จริงๆมันก็คือลมหายใจอั่นแหละ ก็มีกันทุกคนก็รู้นี่คือรู้กายรู้กายกายนั่งกายยืนกายเดินกายนอนกายทํากิจการงานใดรู้ว่ากายหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็รู้เวทนาคือเอมีอาการทางกายมีอาการทางใจแล้วก็รู้จิตรู้มันคิดอะไรแล้วก็มีรู้ธรรมอารมณ์ก็คือรู้เวทนาสัญญาตั้งขานรู้อาการน่ะรู้อาการของเวทนาสัญญาตั้งขานแค่นั้นแน่ทางกายเราก็มีแค่นี้ยมันก็แสดงกิริยาการมาอย่างตกไปตรงมามันไม่รู้หรอกว่า มันทำให้ใครถูกใจไม่ถูกใจมันไม่รู้หรอกมันก็มีแต่แสดงกิริยาการตรงไปตรงมาเอ่อไอ้รู้มันก็รู้อย่างตรงไปตรงมาแต่มีกิเลสคนนั่นแน่ๆมันถ้าถูกใจมันดูด ถ, ถ้าไม่ถูกใจมันผักเนี่ยปัญหามันจะต้องดูกับผักนี่แหละถ้าไม่ดูดไม่ผักก็ท้ัววันิพันธ์แล้วธรรมะเนี่ยมันตรงไปตรงมามันซื่อๆตรงไปตรงมาไม่ดูดไม่ผักเนี่ยแต่เวลาพูดกับคนพูดยากพราะคนเนี่ย มันเป็นยังไงอ่ะอือพู้กับคนอ่ะอ๋เออผู้ก่อคนเนี่ยดูดิเนี่ยเขาบอกอาจารย์พูดอะไรต้องไม่รู้กี่ร้อยแท็กเนี่ยในยูทูบแล้วเป็นร้อยแท็กเลยพูดไปตั้งร้อยร้อยตอนนะเอะอก็มันพูดอย่างเนี้ยแล้วก็ปรากฏว่าพูดไปพูดไปมันก็ไปพูดกับคนที่ยึดตั้งนั้นเนี่ยแล้วก็มีปัญหาทุกคนก็นต้องไปแก้ปัญหาทุกเรื่องเนียอยู่ในยูทูบไปดูในในไลนที่ส่งไปเนี่ยก็คือตอบปัญหาของคนที่ยึด ตอปัญหาของคนที่ยึดคนที่รู้ซื้อแล้วไม่ไม่ดูดไม่ผักแล้วก็ไม่มาถามแล้วเขกลับไปนอนตีภุงสบายหมดแล้วไอ้ที่ตอบปัญหาเนี่ยมันยึดออวันก่อนนี่มีเด็กสิบขวบเด็กสิบขวบนะเดินเข้ามาหาในห้องเดินใส่อาดอาดอาดอาด้ไอ้หนูนี่ไม่มาตัวอ้วนปอมปอมสิบขวบเดินเข้ามาคนเดียวไอ้แล้วก็ว่า ไอ้นักเลงโตจังเว้ยไอ้นี่นี่ลูกใครวะเนี่ย้เด็กติบขวบตุ้กอ้วนป้อมเลยเด็กผู้ชายเอะก็มาทําไมวะเนี่ยแล้วก็ลูกใครวะเนี่ยแล้วก็ว่าแซวมันเล่นมันก็ไปต่อบอะไรเดินเดินอาจอาจอาจมองรู่นมองนี่มองนั่นมองนี่แล้วก็มองเสร็จแล้วแล้วก็ถามไอ้ลูกใครวะมาทําไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยเขาบอกว่า มีคนเขาบอกว่าเจ้าของห้องเนี่ยเจ๋งเหรอมายังไงของมันวะเฮ้ยเอี่จะเอาไงของมันวะเนี่ยลูกใครวะเนี่ยเอ้ยจะเอาอะไรอรเงี้ยเบอกมาเดินก็นมาเอาหน้ามายื่นใส่ใกล้อยากจะรู้อยากจะรู้อะไรเราเกิดมาทำไมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ย ใครพ่อแม่หมาถามด้วยใครใมาถามเนี่ยอยากรู้เองเอเาหน้ายื่นมาที่ใคอยากรู้เองอยากรู้เองเฮ้ยจริงจรงเหรอจริงครับจริงครับโอ้โหตัวเด็กสิบขวบมันอยากรู้ว่าเราเกิดมาทําไมอือไอ้หนูเอ้ยมันพูดยากมากเลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่พระเจ้าตัสเสารู้เลยนะเนี่ยมันเราเกิดมาทําไมทําไมเราถึงเกิดมา มันทำไมมันเป็นเพราะอะไรอะไรเน uh ี ili, ่ยไอ้เรื <S <S ่องนี้ม um ันเรื่องของปฏิจาทังหมุปบาทที่พระเจ้าตรัสรู้เลยเนี่ยโอ้ยตอนผู้ใหญ่มาตั้งนานยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วหนูตีความมันจะรู้เรื่องหรือเนี่ยก็ลองดูครับเออเอามาณนี้มันบอกว่าให้อธิบายหน่อยลองดูครับเราโอ้โหไอนี่มันเอาจริงเอาจังมากเลยท่าทางมันแล้วก็เลยมีภาพปฏิจจสมุปบาทภาพใหญ่ๆติดเครื่องฝาไว้ภาพหนึ่งวงจรปฏิจจสมุปบาท เอล้ะเอาต้อตั้งว่าอธิบายง่ายๆดีกว่าว่าเด็กติวขวบไอ้หนูเอ้ยพราะอย่างงี้ลงอวิชชาเนี่ยเพราะความไม่รู้นเนี่ยลูกแล้วก็มันก็เนี่ยมันก็เกิดความรักมันก็เกิดความชอบความชางังนะลูกแล้วก็พอไปเป็นชอบปุ๊บเราก็หลงไปกับมันชังเราก็เราก็หลงไปกับมันนะลูกมันก็เลยไปเกิดภพชาติเกิดการเวียนว่ายตายเกิดทุก<ส purple>ข์โศกเศร้าเสียใจกับแค้นใจก็เพออราะอวิชชาด้วความไม่รู้เนี่ยลูกแล้วเลยเกิดความชอบความชังเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับ เออนึกว่ามันจะไม่เข้าใจมันบอกเข้าใจเฮ้ยเข้าใจจริงเขาบอกเนี่ยเข้าใจจริงครับเฮ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยโดนต้มป่าวะเดีโดนเด็กหลอกป่าวแต่บัดีมีมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหนูช่วยอธิบายคุณอาเขาฟังหน่อยสิว่าไอเนี่ยเราเกิดมาทําไมทําไมเราถึงเกิดมานูนอธิบายคุณอาก็ฟังหน่อยสิ โอ้ยไม่ยากครับไม่ยากอธิบายโอ้โหเป็นตัวเป็นต่าเลยนี่นะเราเกิดมาเพราะความไม่รู้นี่เราไม่รู้ใช่ไหมเวลาเราไม่รู้เวลาพอเนี่ยเวลาเรา red, เห็นสาวๆสวยๆเดินมาใช่ไหมถูกสเปกเน่ยสาวๆสวยๆถูกสเปกพอเราปิ้งเขเหมือนว่าปิ้งเนี่ยเดียวพอเราปิ้งเขาไปนั่นนะมันเกิดเลยเกิดตัณหาเกิดกิเลสตัณหาในใจเราเลยคืออยากจะได้เขาเข้ามา ออยากจะได้เขาเข้าขมาแล้วมันก็ทํามือด้วยนะเราไม่ได้พูดเลยมันทําเองหมดเรียบร้อยเลยมันบอกว่าเวลาอยากได้เขาเข้าขมานะมันก็ทํามืออย่างนี้คล้ายๆกับว่าพอเราอยากได้เขาเข้าขมาเราก็อยากเอามือเข้าไปโอบกอดเขาเข้าเข้ามาอย่างเงี้ยแต่มันบอกว่าอย่างนะยังไม่ได้เอามือไปอ้ยังเป็นแค่กิเลสตัณหาในใจอแต่ถ้าถึงขั้นออกมาเลยถึงขั้นจะออกไปแสดงอาการจริงๆเลยอันเนี้ยมันเป็นอุปทานแล้วตัวมันใหญ่มากระทืบเราแบนเลย แต่ถ้ามันยังเป็นกิเลสตัณหาในใจเราเนี่ยตัวมันยังเล็กพอมันเกิดปุ๊บเรากระทืบกระทืบมันเลยรีบกระทืบมันมันโผล่ไม่ได้แต่ถ้าเราเลยเป็นเป็นตัณหานะฮะเราทนไม่ได้เราจะต้องไปกระทําจริงๆเนี่ยไปเกลี้ยงลาภาษีกันจริงไปโอ้ออเข้ามาแล้วก็ไปหอมแก้มกันหน่อยไม่ทําบครับทีเพราะวันเราขำขำว่าเลยมันพูดของมันเองหมดเลยแต่มันพูดถูกต้องหมดเลยอ่ะมันบอกว่าถ้าตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันยังตัวเล็กอยู่เรารุ้นต้องทำมันกระทึบกระทึบไปเลย มันเราเราเหนือกว่ามันได้เนี่ยพอเราไม่รู้ต้นฐานมันเนี่ยเราปล่อยให้มันตัวโตวแล้วมันเป็นอุปทานตัวมันใหญ่อยายกจยางมากระทึบเราแบบเนี่ยเราสู้มันไม่ได้เราเราจะต้องไปกระทําตามมันเนี่ยเอาแล้วเป็นไงเอาเวลาเราไม่ชอบใจใช่ไหมเราเห็นเข้ามาปุ๊บไม่ชอบใจพอไม่ชอบใจอ่ะพอไม่ชอบใจมันก็เนี่ยมันก็บอกว่าเนี่ยเราก็อยากเอามือเขาไปไปไปไปไปกเขาขมานกันปกยังไง แต่โอบมาแล้วก็มันก็กำบัดเอาไปตันหน้าอยากตันหน้ามันไปชกชกหน้าชกชกชกชกอย่างนี้เลยเพราะเราไม่ชอบมันเราก็อยากจะชกมันอยากจะจัดการมันเนี่ยคือถ้ามันเกิดขึ้นในใจอย่างเนี้ยมันเป็นปัญหาเป็นกิเลสปัญหาเอ้อย่างนี้เรารู้ต่อทันพอมันเริ่มเกิดพวบเรารู้ตทันมันเพราะย่งมันอย่างตัวเล็กผลแรกเกิดเราก็กระทืบกระทืบมันแบนเลยแต่ถ้าเราช้าไปหน่อยอ่ะมันเป็นอุปทานตัวใหญ่มากระทืบเราแบนเราต้องไปทําตามมันแน่แนะถ้าเราเนี่ย ไม่ประการทำสองอย่างเนี่ยมันไม่มีอุปทานเนี่ยมันก็ไม่มีภพชาติไม่มีทุกไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปโอ้โหไอ้ น, นี่มันพูดเก่งเว้จริงๆเว้ยอมรับมันเก่งจริงๆเว้สิบขวบเองไอเด็กคนนี้นี่แล้วไอ้หนูอยากได้อะไรมากนะให้รางวัลนี่ผมสงสัยเขาบอกว่าถ้าสิ้นกิเลสแล้วเนี่ยสิ้นกิเลสตัณหาแล้วเนี่ย กระดูกมันจะใสเป็นแก้วจริงครับเปล่ามันจะเป็นพระธาตุเลยจริงไหมเนี่ยอะไรเงี้ยจริงจริงลูกตาก็มีเนี่ยลูกตาก็มีองค์นั้นองค์นี้่เงี้ยออย่างลูกปุขาวดาราโยนเนี่ยใสยเพชรเลยเอลูกตามีแต่เอลูกตาจะให้แต่ต้องมีข้อแตกเปลี่ยนอะไรบอกอะไรหนูต้องเอาหนังสือลูกตาไปอ่านให้จบแล้วก็มาบอกบอกลูกตาว่าหัวใจของหนังสือเล่มเนี้ยมันอยู่มันอยู่ที่ตรงไหน ถ้าหนูบอกได้ว่าหัวใจขอต้องสื้อเล่มนี้ขอลงตาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะให้ให้พระธาตุถ้าบอกถูกเอาไปอ่านนะลูกวะแล้วก็หลังมาลงตาใหม่มันก็ขออ่านตรงนี้ได้ไหมครับเฮ้ยผู้ใหญ่เอาไปยังหายเงียบไปหมดเลยหลายคนตั้งหลายเดือนยังอ่านไม่จบเลยไอ้หนูเอากลับไปอ่านบ้านผมจะอ่านตรงนี้ครับขอญาติได้ไหมได้เด็กๆก็อ่านได้อะ ก็นั่งอ่านไปมันก็นั่งพิคพิคพิคปรับปรับปรับทีละหน้านั่งเอามือลู่ลู่ลู่แล้วก็พิคปรับปปับทีละหน้าแล้วก็จบเล่มแล้วเอ้ยก็ไม่อ่านเร็วกี่วะจบแล้วครับอืมอ่านจบจริงก็เปล่าจบแล้วครับจบจริงไจริงก็ป่าไหนหัวใจขอนเนาะเนี่ยหัวใจเลยเนี่ยอยู่ตรงไหนในตีนเรื่มเนี้อ่ันชี้ปั๊บเลยเนี่ยครับ ปกติใจเป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวตนหากเราไม่เข้าไปยึดถือสนใจให้ค่าให้ความสำคัญสิ่งใดก็ไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดมาอยู่ในใจเราหากเราเข้าไปยึดถือสิ่งใดสิ่งนั้นจะเข้ามาอยู่ในใจเราให้เราเป็นทุกข์เออเอมันพู้ตรงนี้เลยความความทุกข์เพราะเกิดจากการที่เราเข้าไปสนใจยึดถือเราจึงเป็นทุกข์ถ้าเราไม่เข้าไปสนใจยึดถือสิ่งใดทั้งรักรังชังแ จะไม่มีอะไรอยู่ในใจเราเลยใจเราก็จะเป็นธรรมชาติที่ว่างเปลา่าตลอดการโอ้ยไอหนูนี่มันให้หนูแล้วหน้าอืนอ่นๆนี่ไม่เห็นพูดถึงเลยมันอาจจะเพราะบรรทัดนี้หรือเปล่าล่ะอ่านหมดไหนๆต้องบอกทีว่าหน้าอื่นเป็นยังไงถึงหนูถึงไม่พูดถึงมันเลยไอหน้า อ, นอื่นละครับเนี่ยรู้แต่แก้ปัญหามหมดเลยครับเนี่ย <S <S <S คือคนนี้ก็ยึดแล้วก็บอกสอนว่าให้แก้ปัญหาอย่างนี้คนนี้ก็ยึดสอนให้แก้ปัญหาอย่างนี้คนนี้ก็ยึดแล้สอนให้แก้ปัญหาอย่างนี้จนจบเล่มเลยครับเนี่ยถ้าไม่ยึดนะ ตรงนี้จบเลยครับไม่ต้องแก้ปัญหาเลย <c oughs> โอยไอ้นหนูนี่จอดคนจริงๆเว้ยเลยต้องเอาพระธาตุมาให้มัน <c oughs> <c oughs> แต่งแต่นะแนบพ่อกับแม่มันไม่พามาหาอีกเลย <c oughs> ไม่ลูกใจคนเดียวเ <c oughs> วลาถามพ่อกับแม่มันพ่อกับแม่มันแอบมาห <c oughs> าเอ้าไอ้หนูมากวนกเนี่ยมากวนได้ไงลูกอึมากวนลูกลูกได้ไงเนี่ย ไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแม่พ่อกับแม่มันก็มาตามตามจนเจอแอบไปอยู่ในห้องนี้เอาตามกลับบ้านแต่มันก็บ่อยพ่อแม่มาเดี๋ยวมันตามไปแล้วมันก็แอบมากระซิบนะผมเนี่ยสวดมวนต์ไหวพ้พระนั่งสมาธิเป็นแต่เด็กแล้วแต่พ่อกับแม่ผมได้ยินเสียงสวดมวนต์นั่งสมาธิมาเลยเแต่ยพ่อแม่ผมมาจับผมลงไปข้างล่างแต่ผมเนี่ยไม่ลืมหลักผมปฏิบัติได้ ไม่ต้องห่วงแลเรามันก็ไม่ได้มาหาเราอีกเลยเพราะพ่อแม่มันไม่พามาเราก็ไปไปถามพ่อแม่มาลูกชายยังไงพ่าพ่อแม่มันออไม่ยอมพามาหาเราเลยกลัวต้องใส่กลัวเอาเอาลูกชายไปบวชต้องบอกว่าเออคนมัน ร, รู้มันก็ไม่ยากหรอกก็แค่นั้นแนะ